Thank mm -hmm. you. เรื่องรากทุกอย่างเคยดรอสความชุรนชุไรกับตัวเองกับเพื่เองอย่างใดก็หวังว่าเขาดีกว่าประจำตัวเองให้สังคมเยียวยา แค่ทุกท้อรู้มาก็ดันอยู่กับตัวเองฉันบอกใครไม่ได้เรื่องเธอ s e c l l I d o u n e r เรื่องราวทุกอย่างกรีดร้องความทุ่มฉ่ำทุรา ก, ก, กับตัวเองกับตัวเองฉันบอกใครไม่ได้เรื่องเธอที่งไปเรื่องมันเลวร้ายเกินกว่า บอกใครฉันบอกใครไม่ได้เพราะฉันยังไม่เข้า ใ, ใจสาเหตุที่ฉันต้องถูกทำร้ายจนแทบขาดใจบอกใครไม่ได้เลยเลยจบปวทร ม, มานเก็บเอาไว้ในหัวใจ เกินว้ที่ฉันจะกล้าบอกใครฉันบอกใครไมได้เพราะฉันยังไม่เข้าใจสาเหตที่ฉันต้องรูจ้จำไร้ลังคาคาใจฉันบอกใคร ไ, ได้เรื่องเธอทิ้งไปเรื่องมันเลวร้ายเกินกว่า จะกล้าบอกใครฉันบอกใครไม่ได้เพราะฉันยังไม่เข้าใจสาเหตุที่ฉันต้องถูกทำราททา้ายจนแทบ่าใจ